ชาวาการไฟฟ้าเป็นไงบ้างคิดถึงบ้านยนังดื้อไหมรุ่นนี้ไม่ดื้อนะพอไหวไหมในหลวงพ่อถามเพื่อให้ทีมไฟฟ้าใจเต้นนะจะได้เรื่องหรือจะไม่ได้เรื่องนะค่อยๆเรียนนะ ไม่ขี้เกียจแต่ไม่ใจร้อนไม่ขี้เกียจไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ใจหลงโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาคือตายแล้วถ้าไม่ตายก็ร่อแร้สังขารไม่อำนวยหรืออายุมากไปอายุมากไปพอนานลำบากแล้วสมองมันเริ่มเสื่อมวันวันนั่งเฉยเฉยม่อชักจะเบลอเลอไปงั้นยังมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังรีบฝึก อย่ารอว่าเจ็บหนักแล้วมาถามกรรมฐานนะต้องฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ตอนหลวงพ่อเข้าวัดจริงๆนะเข้าไปหาหลวงปู่ดูลน์ครูบาอาจารย์วัดป่านะอายุยี่สนะิบแปดยี่สิบเก้าแล้วเข้าไปตามวัดเนี่ยพวกคนอยู่ในวัดเรียกหนูโมเรานี่หนูยักษ์นะแต่แต่ก่อนตัวผอมหนะ้าผอมผอมแบบนี้ ปันมับนิ่สมัยโน้นเะข้าวัดอายุยี่สิบเก้าอะไรนี่สาสิบอะไรนี่เขาว่าเด็กมากเพราะวัดเป็นที่ของคนแก่แต่วัดหลวงพ่อนะถ้าสามสิบยังไม่เคยมานี่ถือว่าแก่เกินไปหน่อยไปอยู่หลังเขาที่ไหนวัดนี้เด็กเด็กเยอะทำไมเด็กมันเยอะเราคุยกับมันรู้เรื่องแต่หลวงพ่อไม่รู้สัพท์ของเด็กของนะแต่รู้ใจเด็ก เด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีความอดทนหรอกเรียนกรรมฐานนะจะมาเรียนแบบคนรุ่นก่อนนะไม่มีทางสําเร็จนะยอย่างสมัยหลวงพ่อไปเรียนอย่าครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนเยอะสอนให้คำสองคาแล้วเราต้องไปภาวนาเป็นปีๆเลยถึงจะเข้าใจที่ท่านบอกเด็กเดี๋ยนี้ทําไม่ได้ใจไม่ถึงหลวงพ่อพูดเด็กเนี่ยรวมทั้งเด็กทางวุฒิภาวะด้วยนะ <c oughs> อายุก็เยอะแต่ว่า จริงๆก็เด็กในทางธรรมะบนะุทธที่ภาวะน้อยใจไม่ถึงหรอกนี่ปรามาตไว้ก่อนนะได้เกิดกำลังใจหน่อยพวกเหยาะๆยะแยะแยะเรียนอะไรที่รู้สึกว่าต้องลงทุนลงแรงนะไม่ค่อยเอาคนยุคนี้ใจสอดหลวงพ่อเคยอ่านงานวิจัยอันหนึ่งพวกธุรกิจเขาให้เหตุให้วิเคราะห์พวกเด็ก จบมหาวิเลย์ออกแม่เอาไหนเด็กมหาวิเลยหรือเด็กคนรุ่นใหม่ๆนะพูดได้หลายภาษาโยเว้นภาษาคนไม่มีความอดท น, นทำงานลำบากนิดหนึ่งไม่เอาละออกละไปหา ง, งานใหม่ทำเนี่ยนิสัยอย่างเนี้ยเอามาพอนายากที่สุดเลย <c oughs> เาการภาวนานต้องจริงจัง ไม่ใช่หยอหอยแยแ ย, ายสามวันนะเปลี่ยนไปแล้วไม่เอาแล้วเขาทากันแรมปีนะแรมปีนี้พูดแบบให้กำลังใจแล้วครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมาท่านสอนเลยว่าการภาวนา ท, ทำกันทั้งชีวิตเลยทุ่มเทกันทั้งชีวิตเลยคนที่จะทําอย่างนั้นได้จะต้องรู้ว่าชีวิตเรามีอยู่เพื่ออะไรงานหลักในชีวิตของเราคืออะไรถ้าคิดว่างานหลักของเราคือกินกามเกียด สืบพันธุ์แล้วคือกินกินนอนๆอนหาชื่อเสียงหาอำนาจหาในไรไปวันๆพวกนี้ไม่มีเขียรจิตกระจายภาวนาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามีเป้าหมายสูงสุดนะคือความพ้นทุกข์เห็นไหมเราจมอยู่ในความทุกข์เราจมอยู่ในไฟกําลังท่วมหัวอยู่ถ้าเราเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะความทุกข์รอบตัวเลยตัวเองก็ทุกข์นะเดี๋ยวผิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันทุกข์ไม่ทุกข์มันก็ทุกข์ เดี๋ยวเมื่อยใช่ไหมขยับไปขยับมาบางทีก็เจ็บป่วยบางทีก็พลาดหวังบางทีหวังแล้วก็ยังไม่ได้อย่างหวังอะไรชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์คนรอบๆตัวเราคนที่เรารักก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์บางคนบอกไม่รักตัวเองรักลูกรักเมียไม่ดูให้ดีนะลูกเมียก็มีความทุกข์อยู่ความทุกข์มันท่วมโลกนะไฟมันท่วมโลกคือไฟของกิเลสนะัะมันแผดเผาใจจนมีความทุกข์ ถ้าเรามีสติมีปัญญามองเห็นอย่างนี้นะกิเลสนี่ศัตรูร้ายของชีวิตเลยทําให้ชีวิตหาความสงบสุขไม่ได้เลยทําไงกิเลสมัน จ, จะหลุดร่อนออกไปจากจิตได้ mm hmm. เราจะรู้ว่างานหลักของเราจริงๆคือการปฏิบัติธรรมงานหลักของเราจริงๆนะคือจะต้องไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ในชีวิตนี้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี mm hmm. เหมือนอย่างเราเป็ น, เ ป, นเป็นแผลผู้ฟองอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. แผลลามไปเรื่อยๆยิ่งรักษาเร็วยิ่งดีหรือไฟไหม้บ้านนะยิ่งดับได้เร็วยิ่งดีทิ้งไว้นานไม่ได้ชีวิตน่ะมีจากัดคนคนหนึ่งจะอยู่สักกี่ปีทำไมจะต้องนอนจมความทุกข์ไปจนแก่จนตายทำไมไม่พักเพียรปลูกตัวเองลุกขึ้นมาต่อสู้ปลดเปื้องตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้ถ้าคนไหนนะมีสติปัญญา ก็จะไม่ประมาทรู้ล่าชีวิตมันมีแต่ความทุกข์ความสุขเหมือนภาพดวงตานะความสุขคล้ายๆตอนเปียแชร์ได้นะสังเกตดูความทุกข์คือหลังเปียแชนะ <Yeah. S 1> เวลาเราอยากได้อะไรใช่ไหมเราได้มาแวบหนึ่งมีความสุขอยู่แวบเดียวเนี่ยเราก็อยากอย่างอื่นแล้วเราก็ตุกอีกแล้วเนี่ยใจเรานะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเลยเพราะกิเลสมันผลักดันนะ อย่างเรามีมือถือรุ่นนี้นะซื้อมาแม่เก็บเงินตั้งหลายวันซื้อมาเดี๋ยวเพื่อนไปซื้อรุ่นใหม่ใหม่กว่าเรานะแม้อีกอาตยหนึ่งมันเปลี่ยนรุ่นละมันคับแค้นใจหรือเราไปซื้อของมาโอ้เราซื้อได้ถูกไปคุยอวดเพื่อนนี่มือถือนี้เราซื้อมาสามพันซื้อได้ถูกเพื่อนบอกฉันเพิ่งซื้อเนี่ยพันห้าเนี่ยแค่เนี้ยเทวดาก็ตกสวรรค์ละ <Yeah. S 2> แล้ววความทุกข์มันเกิดถี่ยิบไปหมดแล้วในชีวิตเราอย่างจะไปทํางานรถติดก็ทุกข์ใช่ไหม mm hmm. ทํางานนึกว่าดีแล้วนายไม่ชมก็ทุกข์อีกนายชมอย่างเดียวเงินเดือนไม่เลื่อนให้ก็ทุกข์อีกละเลื่อนแต่เงินเดือนไม่เคยเลื่อนสีเลยช่างโมโหอีกละเนี่ย <Yeah. S 2> ดูสิชีวิตมันเป็นอย่างนี้ mm hmm. งั้นหน้าที่ของเรานะผู้มีสติมีปัญญาทํำยังไงเราอยาปลดเปลื้องความทุกข์ออกไป ยิ่งเร็วยิ่งดีเราจะได้มีชีวิตที่เหลือยังมีความสุขมากๆหน่อยนั้นถ้าเป็นพระอราหันต์ตั้งแต่7ขวบได้รีบเป็นเลยนะอย่ารอช้ารอ8ดขวบช้าไปถ้าแปขวบเป็นได้อย่ารอให้9ขวบตอนนี้กี่สิขวบแลกกี่สขวบช่างมันนะอย่ารอให้ถึงปีหน้าต้องเร็วๆนะทําไมยิ่งเร็วยิ่งดีสิยิ่งเร็วยิ่งมีความสุขเรื่องอะไรต้องนอนจมความทุกข์ไปนานๆโง่สิ วิธีที่จะมีความสุขได้นะให้คอยสังเกตดูความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่กายนะให้คอยรู้ทันมันความทุกข์มันอยู่ที่ใจให้คอยรู้ทันมันดูซิความทุกข์มันมาได้ยังไงความทุกข์ในร่างกายสังเกตไหมยอยู่เฉยๆมันก็มาอยู่เฉยๆก็มานั่งเฉยๆนะไปซื้อเก้าอี้ตัวละล้านมานั่งก็ได้นะพุ่มทองด้วยถามว่ามันมีความสุขไหมหนูไปซื้อเตียง ละลานหรืหุ้มทองซื้อซ่วมแพงๆหุ้มทองนะเก้าอี้หุ้มทองนะมันมีความสุขจริงเรับแนั่งไงเดี๋ยวเดยวก็เมื่อยลองนั่งไม่กระดุกกระดิกเมื่อยตายเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อ น, นความทุกข์ในร่างกายมันมีเป็นประจําอยู่แล้วหมุนเวียนอยู่เป็นประจํานะเดี๋ยวทุกอย่างโน้นเดี๋ยวทุกอย่างนี้นานๆก็มีทุกจรนทีก็เจ็บป่วย คามจริงทุกคนเจ็บป่วยตลอดเวลานะอยังปวดเมื่อยทั้งหลายเนี่นก็เป็นอาการเจ็บป่วยของร่างกายนั่นเองแต่มันคุ้นเคยเจ็บแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเจ็บมาตั้งแต่ในท้องเด็กในท้องมันก็นอนดิ้นไปดิ้นมาเห็นไหมพอมันมีกล้ามเนื้อพอจะดิ้นได้มันก็ดิ้นแล้วมันเมื่อยหลวงพ่อรู้จักคนคนหนึ่งนะความจําดีมากเลยมันจําได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องเขาจําได้บอกว่าตอนอยู่ในท้องนะัมีแต่ความทุกข์ มันมืดไปหมดเลยมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ น, นึกไม่ออกว่าตัวเองมาติดอยู่ที่ไหนมันติดอยู่ในที่ขับแคบนะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะนานๆได้ยินเสียงแววๆมาจากที่ไกลๆทีนึงเต็มไปด้วยความกลัวความกลัวพอคลอดออกมาคนนี้มันจำดีจริงๆพอคลอดออกมาเห็นแสงสว่างเราตกใจร้องไห้ขึ้นมาพอาพยาบาลอุ้มขึ้นมานะ อาบน้ำทาปแป้งเอาผ้ามาคลุมห่มไว้เาห่มผ้าอุ่นๆนะเขามาทาปแป้งเขามารูปล้นี่นะบอกเซลล์เกิดขึ้นแล้วนี่แหละกูละกูละเห็นไมเด็กเล็กๆก็มีนะพวกเราความจำไม่ดีเราก็เลยไม่รู้นี่คนนี้เขาความจำดีเขาบอกว่าพอ มีคนมาอุ้มมาอาบน้ํามาทาแป้งมาปรนนิบัตินะรู้สึกนี่แหล ก, กูกูเก่งหน้าตอนเด็กเล็กๆเลยนะไปเห็นตุ๊กตาดูมันน่ากลัวเห็นแล้วรู้สึกกลัวรู้ว่ากลัวนะแต่เสร็จแล้วเห็นพวกพี่ๆแย่งตุ๊กตาตัวนี้กันรู้สึกมันต้องเป็นของดีเราต้องแย่งบ้างแย่งกับเขานะตัวแทบจะคลานอยู่เลยยังลุกไม่ได้อไปแย่งกับเขา เขาไม่ให้นะโมโหร้องไห้ใหญ่ขับแค้นใจนะผู้ใหญ่ก็บอกให้น้องเธอให้น้องเธอได้มานะตัวกูก็พองขึ้นอีกนี่แหละกูชนาะาพวกมึงละนี่เขาไม่เล่าให้พี่ๆน้องๆฟังนะมันเล่าให้หลวงพ่อฟังภาวนาเก่งนะภาวนาสติเขาเกิดมาทียิบเลยเพราอนจริงๆนะกิเลสเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืน ไฟท่วมหัวเราทั้งแต่อยู่ในท้องแล้วถ้าเราไม่เคยรู้ทันเราก็จะจมอยู่ในความทุกข์ตอนเด็กๆยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่ตั้งแต่วันนี้ไปหัดรู้ที่หลวงพ่อสอนหรือที่พวกพี่ๆวิทยากร น, น้องๆวิทยากรเขาบอกให้นะก็คือวิธีที่จะรู้กายรู้ใจนั่นเองหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจใจลอยมาม า, มากแล้วต่อไปนี้อย่าใจลอยนาน ให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่าเอาแต่เพ่ง <c oughs> เพ่งใช้ไม่ได้หลวงพ่อทำไมพูดเต็มปากเต็มคำว่าเพ่งใช้ไม่ได้หลวงพ่อเพ่งเก่งนะหลวงพ่อฝึกเพ่งมาตั้งแต่เจ็ดขวบจนอายุยี่2ิ้ายบสอปีแนละเพ่งทุกวันนะ่เพ่งจนชำนิชำนาญเล่นยังไงก็ได้แต่มันไม่พ้นทุกข์หรอก ไม่พ้นกิเลสเลยต้องมาเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นมาทำวิปัสนากรรมฐานเท่านั้นสติปัฏฐานกับวิปัสนากรรมฐานเนี่ยจริงๆเหลื่อมกันนิดนึงในสติปัฏฐานมีทั้งส่วนที่เป็นสมถะและวิปัสนาเนะฉะนั้นถ้าพูดให้ถูกต้องแท้ๆก็คือต้องฝึกวิปัสนากรรมฐานหลักของการทําวิปัสนากรรมฐานนะขั้นแรกเลยมีสติรู้กายรู้ใจนะที่กําลังปรากฏ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางจำได้ไหมจำไม่ได้ไปอ่านวิถีแห่งความรู้แจ้งเวอร์ชัน2วิถีแห่งความรู้แจ้ง2อเวอร์ชันสนี่มีหลายเวอร์ชันเวอร์ชั่นแรกเขียนตอนที่อยู่สวนโพเวอร์ชั่นหลังก็เขียนตอนอยู่สวนโพมั้งแต่สวนโพปีหลังๆความรู้ความเข้าใจมันไม่เหมือนเดิม การทำวิปนะัสสนาคือการมีสติรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่เป็นกลางมีสติสติทำยังไงถึงจะเกิดนะเมื่อวานบอกแล้วสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นสติไม่ได้แปลว่ากำหนดคนรุ่นหลังมาแปลสติว่ากำหนดเนี่ยลอกนอกลู้นอกทางนะสติแปลว่าความระลึกได สติจะระลึกได้สติต้องเคยจาได้อาศัยสัญญาเห็นั้มจำได้เห็นบ่อยๆจำได้ใส่สัญญาสัญญาทำงานปั๊บสติเกิดสติเป็นสังขารเป็นสังขารชนิดหนึ่งอะไรทำให้สังขารเกิดสัญญาและเวทนาเป็นตัวที่ทำให้สังขารเกิดนีสติเนี่ยเป็นสังขารชนิดหนึ่งตัวที่ทำให้สติเกิดเนี่ยคือสัญญา เพราะนั้นในสัญญาสมบัติเท่านั้นนะถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าปราศจากสัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างเรานั่งสมาธิจิตรวมจิตดับหรือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆที่เขาเรียกว่าเข้าสมบัติกันทาวิปัสสนาไม่ได้หรือเราเข้าอารูปฌานลึกที่สุดนะเข้าไปถึงเนวสัญญาในวสัญญายังทำได้สำหรับพระอริยะที่ชำนาญในการดูจิต คนอื่นทําไม่ได้ถ้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรดนิโรศสมบัติทำวิปั ส, สนามไม่ได้เนี่ยใสยสัญญาก็คือการที่จิตมันจําสภาวะได้จําได้แม่นด้วยไม่ใช่จํากิขี้กอกกอ ก, กจาได้แม่นเรีวยกว่าทีระสัญญาจําได้แม่นเช่นความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดกระทบอารมณ์อย่างนี้แล้วความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ ความโกรธเกิดแล้วความโกรธทำงานอย่างนี้ๆรอบงาใจจะผลักดันอารมณ์ทั้งหลายออกไปเหตุที่ทำให้ความโกรธเกิดขึ้นก็คือการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ต้องเห็นละเอียดอย่างที่บอกเนียนะแค่แค่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้สึกความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้สึกจิตมันจาความโกรธได้แม่นต่อไปพอความโกรธเกิดขึ้นสติจะระลึกรู้ได้เองสติจะระลึกได้เอง รู้แล้วว่าสภาวะรมชนิดหนึ่งผุดขึ้นมาไม่เรียกชื่อว่าความโกรธ ด, ด้วยที่เรียกชื่อว่าความโกรธได้อาศัยสัญญาเข้าไปแปลอีกรอบหนึ่งที่ได้อาศัยสัญญานะทิรัสัญญาจําสภาวะได้สติเกิดขึ้นมาตรงที่สติเกิดเนี่ยรู้สภาวะแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรถัดจากนั้นสัญญาก็เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งรู้ว่าสภาวะอันนี้คืออะไร ยกตัวอย่างอยู่ๆใจเราก็ไห ว, วป๊บๆขึ้นมาเนะนี่ยตรงที่สติไประลึกรู้เนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะเสร็จแล้วสัญญาก็ไปแปรที่หลังอ๋อจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาหรือจิตมันหลงไปจิตมันหลงไปขณะที่มีสติรู้ว่าจิตหลงนะั้นไม่มีคําพูดว่าจิตหลงถัดจากนั้นสัญญามันแปรอ๋อเมื่อกี้หลงไปนะบางคนสัญญาแปรเองไม่พอนะไปช่วยมันแปรด้วยบริกรรมซ้ําลงไปอันนั้นมีวิตก มิต ก, ก็ไม่ใช่สัญญามิตกเป็นการตรึกนะเช่นพอหลงไปก็คิดหนอคิดหนอตกจากวิปัสสนาทันทีเลยนะคิดหนอคิดหนอตกจากวิปัสสนาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะตกจากการรู้แล้วเป็นการคิดเมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้เมื่อไร่รู้เมื่อนั้นไม่คิดนะครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวนะเสด็จไป พ, พิธีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ลวนะวทางอีสาน ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านก็มากันมากพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถามครูบาอาจารย์ถามลอยๆขึ้นมาบอกผมภาวนาผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรผมรู้หรือไม่รู้เนี่ยคนภาวนาเป็นนะฝั่งลัทธิดุ้งเลยท่านแน่จริงๆนะเราถึงมีธรรมราชาไม่ใช่พระราชากระจอกนะเนี่ยท่านเป็นธรรมราชาท่านทรงธรรมจริงๆภูมิจิตภูมิธรรมเหนือกว่าคนธรรมดานะ บาลมีมากกว่าคนธรรมดาครูบาอจารย์ท่านก็มองไปมองมานะั้นท่านก็เงียบๆท่านคงไม่รู้ว่าจะถามใครเลยไม่มีองค์ไหนพูดหลวงพ่อพูดท่านก็เลยตอบทูนในหลวงบอกที่พระองค์ว่ารู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนะั่นแหละสุดยอดของการรู้ถ้ารู้ว่ารู้อะไรนะั้นมีบัญญัติมีสมมุติลงไปแลเ <c oughs> งันตรงที่เป็นวิปัสสนาแท้ๆนั่นะคือรู้นั่นแหละรู้ที่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนะั่นแหละ ตรงที่รู้ว่ารู้อะไรนะั้นะเป็นสมมูลบัญญัติจิตตกจากวิปัสสนานเพราะงั้นเวลาที่พวกเราหัดรู้สภาวะนะให้รู้สภาวะเข้าไปตรงๆรงรู้แล้วไม่ต้องไปสมมุติบัญญัติต่อแต่ถ้าจิตมันจะสมมุติบัญญัติของมันเองห้ามมันไม่ได้เช่นพอมันโกรธขึ้นมาปุ๊บจิตมันก็บกรขึ้นมาโอโกรธอีกแล้วนี่อย่างนี้มันพูดเองไม่เป็นไรนแต่พอมันโกรธขึ้นมาโกรธเนอโกรธเนอะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ พอมันโกรธขึ้นมามาสอนตัวเองโกรธไม่ดีนะเป็นไฟแผดเผานําความทุกข์มาให้นี่ใช้ไม่ได้นะนี่ตกจากวิปัสสนาแล้ววิปัสสนานะีมีสตินะสติเกิดขึ้นนะโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดรู้ลงไปตรงๆ ร, รู้แล้วไม่ทําอะไรนะรู้แล้วจบลงที่รู้นี่รู้อย่างเป็นกลางนะไม่ใช่รู้แล้วเข้าไปแทรกแสงนะรู้ตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแสงนะรู้สิ่งซึ่งกําลังปรากฏนะคือรูปกระนามกายกระใจ ไม่มีสติรู้กายรู้ใจนะที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเช่นจิตมันโกรธรู้ว่ามันโกรธนะด้วยจิตที่เป็นกลางคือไม่เข้าไปแทรกแซงดังนั้นพวกเราใช้หลักอันนี้แหละนะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์คอยมีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆแต่สติจะเกิดต้องเกิดเองเพราะงั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะธรรมเนืองๆการทําสติปัฏฐานนั้นเบื้องต้นทําไปเพื่อให้เกิดสติ คือการหัดรู้สภาวะเนืองๆเช่นโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลงไปก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหูก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งก็รู้เช่นหายใจออกหายใจเข้าท้องพองท้องยุบยกเท้าย่างเท้าขยับมือทําจังหวะแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยแค่รู้นะหัดรู้สึกไปเรื่อยอย่าไปเพ่ง ห้ามเพ่งใส่มือห้ามเพ่งใส่เท้าห้ามเพ่งใส่ท้องห้ามเพ่งใส่เวทนาห้ามเพ่งใส่จิตถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งๆเป็นสมถะให้รู้เล่นๆไปใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ไปดูเล่นๆไปไม่ต้องไปคิดนะเมื่อไหร่จะหายโกรธเมื่อไหร่สติตัวจริงจะเกิดอย่างบางคนนะได้ยินหลวงพ่อ บ, บอกถ้าสติเกิดนะอาคุศลจะต้องดับทันทีเออเราก็ดูอยู่ทําไมอาคุศลไม่ดับวะโกรธมาห้านาทีไม่ดับเพราะสติยังไม่เกิด อันนั้นเป็นแค่หัดรู้สภาวะเล่นเล่นเบื้องต้นเท่านั้นเองต่อไปพอความโกรธผุดนะสติระลึกเองปั๊บเนี่ยขาดสะบั้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นะที่ว่าดูกิเลสแล้วกิเลสยังเอือยเอยืยเฉยเฉื่อยเรื่อยยังไม่หายไปเนี่ยเพราะสติแท้แทยังไม่เกิดแต่อาศัยการหัดรู้อย่างนั้นแหละนะรู้ไปเรื่อยเกิดไม่เกิดก็ช่างมันนะ ดูไปนะดูไปจําจนจิตมันจําสภาวะได้มันสติมันเกิดเองนะเกิดผางนี่อากุศลดับวับทันทีเลยนะเลยรู้เลยว่าท่านใดใดที่มีสติเนี่ยสัมมาวายามะเกิดขึ้นในฉับพลันนั่นเลยสัมมาวายามะก็คืออากุศลที่มีอยู่ดับลงไปทันทีอากุศลใหม่ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นกุศลเกิดขึ้นทันทีทันทีที่มีสติกุศลเกิดแล้วเพราะสติเป็นตัวกุศลแล้วก็กุศลจะเกิดขึ้นหนึ่งๆเพราะเคยเกิดแล้วจะเกิดไป พอเรามีสติรู้สภาวะโดยที่ไม่ได้จงใจนะจิตก็ตั้งมัน่นสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเองพอเรามีสติรู้สภาวะนะนั่นจิตเราตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่สัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาก็เกิดขึ้นเองเห็น ไ, ไหมองค์มรักทั้งหมดมน่ะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลยเพราะฉะั้นจเจริญสติไปน ะ, จะเจริญสติมากเข้ามากเข้านะเดี๋ยวองค์มรักเกิดขึ้นเองนะไม่มีอะไรมากง่ายนะไม่ต้องทํามรักให้เกิดนะ ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บอกเลยไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของมันเองจิตบรรลุของมันเองได้ไหมไม่ได้เราต้องเจริญวิปัสสนาใช่ไหั้นเรามีหน้าที่เจริญวิปัสสนานะเจริญไปเรื่อยคอยรู้กายคอยรู้ใจไปแล้วจิตมันมีหน้าที่บรรลุมรรคผล เราชอบอยากบรรลุมรรคผลซะเองใช่ไหมนึกออกไหมเริ่มปฏิบัติก็อยากบรรลุมรรคผลแล้วแต่ไม่ทํำมิปั ส, สนาหวังว่าจิตมันจะทํำมิปั ส, สนาเองเนี <c oughs> ่ยมันบ้าอย่างเนี้ยมันถึงไม่ได้ยิง <c oughs> มีสติรู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ไป ไปเรื่อยๆจิตมันไม่เป็นกลางขึ้นมายินดียินร้ายขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่ามันจะยินดียินร้ายขึ้นมาเป็นไปได้ร้อเซนตจิตไม่เป็นกลางหรอกเพราะฉะนั้นกระทบอารมณ์นี้จิตพอใจให้รู้ทันกระทบอารมณ์นี้จิตยินร้ายไม่พอใจให้รู้ทันต่อไปจิตเกิดปัญญาจิตเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรดหลงทั้งหลายก็ชั่วคราวทุกอย่างเป็นของชั่วคราวกระทั่งความสงสัย เป็นของชั่วคราวนี่หลายคนพอสงสัยหลวงพ่อบอกให้ดูสงสัยเพื่ออะไรเราจะได้เห็นว่าสงสัยก็ชั่วคราวเมื่อไรที่สติปัญญาแก่รอบนะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของชั่วคราวจิตจะเป็นกลางจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่กลางด้วยสมาธิอีกต่อไปละไม่ได้กลางด้วยสมาธิแต่ไม่ได้กลางด้วยวิปัสสนาด้วยสติแต่กลางด้วยปัญญาเนั้น มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไป น, นี้แหละรู้ไปมันเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างก็ช่างมันนะดูมันเรื่อยไปดูเรื่อยไปจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลเป็นของชั่วคราวเพราะมันชั่วคราวแล้วจะหลงยินดียินร้ายทาไมจิตมันหมดความยินดียินร้ายไปเองจิตที่มีปัญญาจนหมดความยินดียินร้ายต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเรียกว่าจิตมีสังขารู้เบกขายาน จิต ท, ที่ทรงสังขารุเบกขา ย, ยาณอยู่นี้มีทางดำเนินสทางทางที่1เสื่อมเสื่อมกลับลงมาเริ่มต้นใหม่ทางที่สองปรารถนาพุทธภูมิและไปพบพระพุทธเจ้าได้รับพยากรว่าในอนาคตนะอีกสีอสงไขยแสนมหากัปจนถึงอีก16อสงไขยแสนมหากัปเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทำไมต้องได้สังขารุเบิกขายานก่อนท่านถึงจะพยากรณเพราะว่าเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงและนรกและสวรรค์เท่าเทียมกันสุขและทุกข์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นกล้าที่จะเสียสละนรกก็ไม่กลัวนะกล้าฝ่าไฟนรกลงไปช่วยสรรพสัตว์ได้นี่ทางที่ทหนึ่งเสื่อมจากสังขารุเบกขายานเคยเป็นกลางกลับไม่เป็นกลางขึ้นมาเป็นไปได้ที่สอง จิตมุ่งไปสู่พุทธภูมิก็จะมีกําลังเดินไปสู่พุทธภูมิอันที่สาจิตมุ่งสาวกภูมิจะเกิดมรรคผลได้เพราะงั้นหน้าที่เราณภาว น, ะนาไปเห็นสภาวะทั้งหลายนะรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจไปรู้ที่กําลังปรากฏนะไม่เอากายในเอาใจในอดีตในอนาคตนะรู้ที่กําลังปรากฏเพราะอดีตอน า, นาคตไม่มีจริงเป็นแค่ความคิดเราต้องดูของจริงไม่ใช่ดูสิ่งที่คิดขึ้นมา ดูกายดูใจในปัจจุบันเนี่ยดูตามที่มันเป็นหมายถึงมันมันดีก็ได้มันร้ายก็ได้มันสุขก็ได้มันทุกข์ก็ได้ไม่เลือกอะไรผ่านมาให้รู้ก็รู้อนนั้นแหละรู้ตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงนะรู้ด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางจําให้แม่นนะจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ไปทําความเป็นกลางขึ้นมาหลายคนไปทําความเป็นกลางเอ้ยยินดีละพุทโธพุทโธพุทโธอาหายินดีะ หรือโกรธขึ้นมานะีอยากให้หายโกรธไม่เห็นว่าอยากให้หายโกรธนะโกรธเนอโกรธเน อ, อ, อนหายโกรธแล้วดีใจนะีอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสาังขารทั้งหลายทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอยู่แล้วก็ไม่มีนะดูไปอย่างนี้วันหนึ่งจิตมันยอมรับนะสิ่งได้เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะจิตก็จะหยุดการดิ้นรน เข้าถึงความเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงคําว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นคาที่สูงมากนะพวกเราที่พูดกันป่าปๆว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่จริงหรอกไปขโมยคําพูดของผู้ที่ใกล้บรรลุพระโสดามาพูดกันจิตของเราไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นหรอกจิตของเราหลงยินดียินร้ายตลอดเวลาเมื่อไรมีปัญญาแก่รอบจนเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งปวงนั่นแหละถึงจะยอมสักว่ารู้สักว่าเห็น พอยอมสักว่ารู้าสักว่าเห็นอย่างแท้จริงจิตหมดความดิ้นรนจิตหมดความปรุงแต่งจิต ь หมดการสแสวงหาจิต ь หมดกริยาอาการทั้งหลายจิตรวมเข้าอปนาโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรวมแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นอริยมรรคเห็นนิพพา น, นนิพพานเป็นสภาวะที่หมดความอยากเรียกว่าวิราคะนิพพานเป็นสภาวะที่หมดความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขาร นิพพานเป็นสภาวะที่ปล่อยวางรูปและ น, นามนะเรียกว่าวิมุตตนะเนี่ยจิตมันต้องหมดความดิ้นรนจริงๆถึงจะเกิดมรรคเกิดผลเพราะฉะนั้นดิ้นเท่าไหร่นะก็ไม่มีมรรคมีผลเกิดขึ้นแต่ว่าอาศัยการที่คอยรู้คอยดูของเราไปนะเบื้องแรกตามรู้ตามดูไปจนมันมีสติมันรู้ขึ้นได้เองกุศลเจริญอกุศลดับไปเอง เบื้องปลายก็ทําไปจนเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ชั่วคราวจิตก็หมดความปรุงแต่งแล้วก็เกิดอริยมรรคขึ้นงั้นสติปัฏฐานทําไปเพื่อสองสิ่งเบื้องต้นทําไปเพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายทําไปให้เกิดปัญญาตรงเบื้องปลายที่ทําให้เกิดปัญญานี้แหละเรียกว่าวิปัสนาตรงทําให้เกิดสติยังเป็นสมถะอยู่นะยังไม่พ้นขอบเขตของสมถะวันนี้เทศเท่านี้พอเท่านี้ก็ยากเต็มประดาแล้นะ ไปทานข้าวนะทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์